การปฏิบัติที่มีครูเมียาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูเมียาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายใน คือกิตตรภาวนาเฉพาะจิจกภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มพึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเกียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร กิจ ใ, ใจก็เร่ร่อนๆ่อนช่วยนั่นช่วยนี่มาภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์เดี๋ยวภาวนาบทหนึ่งเดี๋ยวภาวนาบาทหนึ่งเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาแต่ไม่กินไม่จังกับบทใดบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจ อย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสาคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้แนะให้การแนะนำสั่งสอนเพราะิตไม่จริงไม่จังจิดแล้วเลอะแหลๆจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่ใช่กินลวนกวัดแกงอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกๆเวียนเมียนสะเทินน้ำจะเทินบกถือเอาหลักเอาเกียนอย่างใดก็ไม่ได้ อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สำคัญทำท่านมาเลิท่านมาประงสก็ไม่สำคัญในในหัวใจเราแต่ผู้มีความมุ่ง ม, มั่นต่อหลักทาหลักวินัยจริงๆและต่อมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์ เห็นการประคื้ปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจแม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือทมถือในตลอดถึงมปูนิพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพของบิดบิดของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพอยอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายโดยทางเจตนา แม้แต่จะผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความระมัดระวังยริโอ ต, ตปะมีประจําใจเพราะกลัวจะผิดทางเนี่ผู้ปฏิบัติเป็นเจนนั้น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 นี่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจไม่เคยลดนละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรคภยัยไข้เจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกคลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะ ทลาะบบาแหวงนั่นเพราะสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ปากคออยู่กับความชิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายนสติปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้นอนไม่ตื่นนั่นสมันจึงทำให้เป็นห่วงแม้แต่อยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำ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 วิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลําดับเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำมาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็คอจะให้เกิดความร่มเย็ยนได้ในหนังซ้ำยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนิน ทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาดก็ตามครูอาจารย์ก็ยังมีพอที่จะแนะนำสำั่งสอนได้สาหรับวัดนี้เราไม่ให้มึจิจการงานอันใดทั้งนี้เพื่อหมู่เพื่อนได้บาเพ็ญความภาคเียืนด้วยความสะดวก ทุกเวลาเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมาขีดมาขวางมาทำให้ล้มเหลวไปเช่นการงานสร้างนั้นทำนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเป็นค่าสิบต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่นำมาเกี่ยวข้องไม่นำมาขีดขวางทางเดินคือการภาวนาของหมู่คณะ เพราะเคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ผู้ที่สอบแสวงหรือดำเนินทางด้านจิตตะทะนให้คุมมัตรวังวัดใดเป็นวัดที่ก่อสร้างสถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบแม้ที่สุดต้นไม้ที่มีดอกมีผล ปลอกนกปกสัต์อะไรมากินให้เกิดเสียง อ, อึกกเกรือบนต้นไม้ก็ยังไม่ควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นนั่นนี่ั่านสอนไว้แล้วในมหาขันก็มีให้ไปหาอยู่ในที่สงบสงบสถานที่ขึ้นลงเช่นท่านา้ําเป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพัก หาพักในที่สงบสงนั่นแนะทำไมท่านจึงให้พักในที่สงดัดเพราะความสงัดนั้นเป็นเหตุที่จะให้รู้วิธีของจิตที่คิดออกจะคิดออกนอกรูนอกทางคิดในแง่ใดย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามีสิ่งรบกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงบสงดัด เสียงเป็นอย่างไรท่านรูปเป็นอย่างไรท่านกินมาให้ยุ่งให้เกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกนั้นในเวลาที่ควรเป็นค่าศึกต้องเป็นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดบักขาดตอนเพราะพิเรย่อมจะกว้านเอาสิ่งอนั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่เป็นปืนเป็นไฟสําหรับจิตใจของผู้บาเพ็ญเพื่ออาจเพื่อทำ การถึงสอนไม่ยุ่งให้เกี่ยวให้หาอยู่ที่สงัดสงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากทุอันจะเป็นค่าสิทต่อทิตตภาวนาเนี่ยเป็นของสําคัญแล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆเราอยู่ธรรมนามความอย่างสถานที่เราอยู่นี่เป็นที่สงัดก็จริง แต่หาที่สงบยิ่งกว่านี้เข้าไปและที่เปียวยิ่งกว่านี้เข้าไปจิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้เลยการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปียวสถานที่หน้าบากเสียวหน้ากลัวย่อมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อัตธรรมได้งา่ายกว่าจใจ กว่าที่เราอยู่ธรมรมดานี่ท่านเป็สอนให้อยู่ในที่สงัดในที่วิเวกในสันเลขธรรมท่านแสดงไว้คำว่าสันเลขธรรมคือทรรมเป็นเพื่องขัดกลาพิเลกมีอยู่สิบประการอันละอภิชะตา คือความมาก น, อน้อยไม่มากในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยบริขารต่างๆนี่เป็นของสำคัญนะแล้วเอาสังฆณิกาไม่คุกคีวกับประชาชนญาติโยมกลอดพระเนรเพื่อนผูงอันเดียวกันมีตนเป็นผู้ผู้เดียวเนี่ยเว ก, กตาคือชอบสงัดิเวกนะ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 ความใคร่ต่อการรักษาสีและพูดถึงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจถึงขั้นปัญญาถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัชนะในธรรมสิบประการหนึ่งเป็นธรรมสำคัญมากสาหรับผู้ปฏิบัติพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบเย็นใจตั้งแต่สมาธิขึ้น ไจนกระทั่งถึงนิมิตยาทศนะย่อมไปจากกัปปิชตาความมากน้อยออกจากอวิริยารัมพาการประกอบความภาคเพียนออกไปจากอสังสกนิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดเพื่อนฝูงท่านเนินด้วยกันวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกเป็นประจำนิสัยนี่แหละ เป็นท่าบาปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยที่สคัญเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจได้เป็นอย่างหนึ่งในครั้งปุตธการท่านถือหลักธรรมเหล่านี้เป็นทางเดินอันสําคัญไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลยยิ่งกว่าทางเดินคือสันนิษฐานนี้ถ้ากล่าวก็กล่าวทำสิทธประการนี้เป็นพื้นฐานของสมณะที่สนทนากันท่านเรียก กาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังครมุตตัมมังคือการสนทนาธรรมะกันตามการตามสมัยมีสนทนาในธรรมเหล่านี้เองสันเลกับธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาหรือเป็นพื้นแห่งธรรมที่ควรสนทนาสนับสมณะเรบและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นคำว่าสมาธิ จะไม่นอกเหนือจากทมเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไปได้เลยความสงัด ก, ก็เป็นเครื่องรักษาสมาธิได้ดีความอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆ ย, ยิ่งทำให้มีการรักษาจิตใจได้ดีเพราะความกลัวความหวาดเียวย่อมมีสติย่อมหันเข้าพึ่งธรรม ตามธรรมดาของจิตจะเร่ร่อนเกาะเนื่นเกาะนี้หาที่ยึดที่เกาะไม่แน่นอนส่วนมากมักจะเป็นพิษภัยแต่เวลาเข้าเจนเกาะจนมุมในสถานที่เปี่ยวๆที่น่ากลัวเป็นสัตว์ร้ายเป็นต้นจิตย่มจะย้อนตัวเข้ามาสู่ภายในการกถึงธรรมมีสติธรรมเป็นสำคัญสติบังคับ จ, จิตใจ เป็นตายก็ให้อยู่กับความรู้หรือจะมีทำบทใดเป็นเครื่องบริการํากับใจไม่ให้สงสัยไปสู่ภายนอกเช่นอารมณ์ที่กลัวนั้นเป็นต้นยิตย่ำเข้าสู่ความสงบในข้อนี้ผู้ปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่ประภูตตามธรรมดาที่ัยของจิตย่อมจะออก ชอบจะออกสู่อารมณ์ที่น่ากลัวเช่นเสือเป็นต้นจะไม่ยอมทำงานคือกิจตภาวนาของตนที่ควรจะทำนั่นเลยจะคิดถึงเรื่องเสือบ้างเรื่องหมีบ้างเรื่องอันตรายใดๆก็ตามจะทายแสบไปถือเอานั้นมาเป็นอารมณ์และเสริมความกลัวเสริมความฟุ้งซ่านเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นในสถานที่เช่นนั้น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 คิดไปถึงสิ่งที่น่ากลัวนั่นเลยให้คิดให้ยึดจิตติดอยู่กับคําบริกรรมถ้าผู้อยู่ในภูมิบริกรรมผู้อยู่ในภูมิวิปัสจนาก็พิจารณาทางด้านวิปัสจนาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัจไรมีเสือเป็นต้นดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาเล่มที่ผ่านมานี้คือแยกธาตุแยกขันธ์ของเสืออันนี้ ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติถ้าในขั้นสมาธิหากจิตเป็นตัวของตัวเป็นองค์ของสมาธิดีพอประมาณแล้วก็ให้อยู่กับความรู้คือความรู้เด่นเด่นอันเป็นองค์ของสมาธินั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกหรือไม่วาดภาพ อารมณ์ที่เป็นข่าศึกเข้ามาทําลายจิตใจให้เกิดความกลัวความตกตกใจและเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่แนบสนิทกับสมาธิเนี่ยถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ให้แนบสนิทอยู่กับคําบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีสิ่งใดมีแต่คําว่าพุทโธกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่นานนัก ธรรมะพุทโธกับความรู้กลมกลืนกันนี่แหละจะเป็นพลังหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจเกิดความแน่นหนามั่นคงเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของจิตใจได้ดีจากนั้นก็ความกลัวก็หายไปหมดแม้เราจะคิดออกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวนี่ผิดกันไหมกับจิตเบื้องต้นที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความกลัวยิ่งเกิดความทุกข์มากนั่นพอจิต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 ในสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นดังที่กล่าวมาสักคู่นี้หยุดไม่ยอมให้ออกสู่ภายนอกให้อยู่กับคําบริกรรมนั้นเป็นกับตาก็ตามมอบไว้กับที่ตรงนั้นให้มีอยู่เพียงอันเดียวสองกับคําบริกรรมเท่านั้นคำว่าอันเดียวคือผู้รู้สองกับคําบริกรรมจะเป็นคําใดก็ถามให้มีเพียงเท่านี้อยู่ในตาในโลก ไม่สนใจกับป่ากับลกไม่สนใจกับสัตว์กับเสือใดๆเลยให้อยู่กับความรู้นี้เท่านั้นนี่เคยปฏิบัติแล้วเพื่อเป็นทติแก่เพื่อนฝูงในปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจิตใจว่าการทำอย่างนี้สามารถกําจัดความกลัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วยังทําให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นได้เมื่อจิตได้เป็นหลักเกณฑ์สําหรับตัวเองแล้วเนะี่ยอันดับที่สองกิจที่มีสมาธิย่อมอยู่ในองค์แห่งสมาธิไม่เคลื่อนค้าศออกไปสู่อารมณ์ใดทั้งสิน้นขึ้นชื่อว่าอารมณ์เป็นที่น่ากลัวหรืออารมณ์ให้เกิดกิเลสแล้วนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในสถานที่เบียดเบี่ย ว, ยวในสถานที่น่ากลัว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 มันเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นกระดูกตามสมมุติที่ตั้งไว้นั้นเท่านั้นและเป็นเครื่องมือของจิตดวงที่ครองร่างของจักวนั้นอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของเหล่านี้เป็นเครื่องมือของใจที่ครองร่างนี้อยู่ที่เท่านั้นไม่ได้ทราบไม่ได้มีความหมายกับใจนี้เลยแม้จะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็จะมาทั้งถึงมรนตาก็ตามอวัยวะเหล่านี้จะ ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในใจหรือไม่มีความหมายเข้ามาสู่ใจเหมือนใจไปมีความหมายกับเขาเลย น, นี่แหละการแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ไม่กลัวอีกเช่นเดียวกันาะไม่ทราบจะกลัวหาอะไรแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญาแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญากระดูกสั์ร้ายกับกระดูกของเรามันก็อันเดียวกันนัะ่ะ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 นี่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเข้าไปด้วยความผูกมัดของกิเลสอันเป็นกลมายาสําคัญแล้วก็ไปเกิดความสําคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกว่าน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอวัยวะอันนี้ของสัตว์นั้นของสัตว์นี้มีตั้งแต่เรื่องหลอกลมตนเองนี่คือปัญญาปริญญาแยกแยกจนกระทั่งฝันนี้แล้วจะอะไรมากลัวนะนอกจากนั้นจิจที่ที่เก้า พาไปสู่ถึงความละเอียดจนกระทึงทั้งถึงความว่างเปล่านะพอปรุงแปบขึ้นมาเป็นภาพของสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็าตามใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาพอปรุงแปบขึ้นมาเพียงเท่านั้นปรากฏออกจากมโนภาพของตัวเองไปเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็าตามเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากภายใ น, ในใจิตใจไปวาดภาพออกไปเช่นเดียวกับ เขาฉายหนังออกจากฟิล์มนี้ไปปรากฏในจอหนึ่งแล้วก็หลงอยู่ที่จอนั้นเสีย ว, ว่าเป็นตัดเป็นบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆความจริงมันก็อย่างที่กล่าวนี่แหละมันออกไปจากฟิล์มอันนี้ฉายออกไปนั้นอันนี้ก็ออกไปจากฟิล์มภา ย, ยใ น, ในใจิตใจของเราเมื่อมีสติแล้วย่อมรู้ทันพอปรากฏภาพขึ้นมาเท่านั้นภาพนั้นก็ดับไป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 ในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายการพิจารณาที่กล่าวมาเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นถึงยิปัตนาขั้นนี้มีผลมีประโยชน์มากมายต่อจิตตภาวนาของเราเพราะฉะนั้นทา่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะได้รู้คุณค่าของตัเองคุณค่า ข, ข, ของสติคุณค่าของปัญญาคุณค่าของความเพียรจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใด เมื่อไปถึงคราวจนกรอบเป็นมุมแล้วถึงจะถานที่ที่น่ากลัวเช่นนั้นแล้วผู้ที่ต้องการเหตุการผลต้องการความ จ, จริงหมดแล้วทำไมจะไม่หมุนเข้าสู่ความจริงเล่าเมื่อหมุนเข้าสู่ความจริงนะย่อมจะทราบความจริงได้โดยตลอดตัวถึงหายความกลัวและจิตใจก็ยิ่งเพิ่มกําลังวังชาขึ้นไปโดยลำบากลำบากนี่ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่เปลี่ยวเปลียวนะเป็นอย่างนี้เอง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 สิ่งที่ไม่เคยคิดแต่คิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้สิ่งที่ไม่จิตที่ไม่เคยฉลาดแต่ฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยเป็นของสําคัญในการพิจารณาเอให้ทุกท่านได้จดจําเอาไว้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่ากลัวเถอิ้เรื่องความตายนั่นนะ่ะไม่อย่างไรมันก็ตายมันเพียงธาตุที่รวมกันผสมกันอยู่นี้เป็นก้อนเป็นก้อนสัตว์ก้อนบุคคลก้อนเขาก้อนเรา เพราะใจเป็นผู้ครองร่างและรับผิดชอบอยู่เท่านั้นเมื่อถึงการเข้ามันแล้วก็สลายตัวไปนี่เท่านั้นท่านเรียกว่าเกิดก็คือส่วนผสมนี้รวมตัวค่ะแล้วมีจิตปฏิปจที่วิญญาณเข้าอาศัยอยู่ในนั้นและยึดเป็นเจ้าของนี่เป็นตัวการเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสมรรถภาพแล้วใจก็ถอนตัวออกมา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 ไม่พิจารณาแก้ไขจิตใจตัวเป็นเสนียจัไนไดแต่ตัวของตัวเองเพราะความโงกเขาสร้างตังแต่ความทุกข์ให้แบกให้หามให้ทนทุกข์ทรมานในภพในชาติต่างๆไม่หยุดยั้ยงจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็แบกท่าแบกขันภาราหวีปัญจกันธาเป็นกองทุกข์จิดตลอดเวลาจนกว่าจะได้ปล่อยวางนีขณะที่จะปล่อยวางทุกข์มากขนาดไหน ทุกถึงขนาดที่ทนไม่ได้อะต้องแตกกระจายกันนั่นเองนดูสิเกิดก็ทุกแสนสาแต่เรามองข้ามกันยินดีทั้งแต่เรื่องความเกิดลูกของคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือลูกของข้าเกิดเป็นผู้ชายบางเกิดผู้หญิงบ้างดี อ, อกดีใจผู้ที่เล็ดลอดออกมาจากช่องแคบแฉบสลบสลายบางลายตายอยู่ในท้องก็มีมาตายอยู่ที่ช่องแคบก็มีตกออกมา แล้วตายก็มีไม่ทุกมันจะตายหรือพิจารณาซิมันเป็นของดีที่ตรงไหนเป็นความสุขที่ตรงไหนในเรื่องความหมุนเวียนเพื่อเกิดเพื่อตายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีตั้งแต่กองทุกอยู่ในท้องก็กองทุกนอนจมอยู่ในท้องแม่สี่เดือนเป็นทุกขหรือไม่เป็นทุกถ้าเจ้าของไม่รับทราบคือเจ้าของจําไม่ได้ว่าความทุกข์มีมากน้อยเกี่างไรดูตามหลักธรรมชาติคือความจริงนี้คือตัวทุกขที่ นอนอยู่ในท้องแม่นั่นคือตัวทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงคลอดออกมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาที่ไม่นาเลนี่แหละเรื่องกองทุกข์อะไรมาสร้างให้เป็นกองทุกข์อะไรพาให้เกิเออดนี่ก็ได้สอนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจที่ได้รู้ได้เห็นอย่างไรในการประพฤตปฏิบัติแต่ก่อนก็ได้ดูตามตำหลักตำหลั ว่าการเกิดเป็นอย่างนั้นการเกิดเป็นอย่านี้ถนัดชาติปีดูขาเชราปีดูขามานำปีดูขังในธรรมจักกัปวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี้เรื่องล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกองทุกในในธาตุในขันนี้ฉะนั้นท่าไม่ได้บอกว่าภูเขาเป็นทุกต้นไม้เป็นทุกข์ดินฟ้าอากาศเป็นทุกน้ําเป็นทุกขลมเป็นทุกท่านบอกว่าขันนี้เป็นทุกขันนี้ใครพาให้มันเป็นทุกก็คือหัวใจดวงหลงหลนั่งเองนพายเป็นทุก ถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันจริงๆแยกลงไปตามหลักอริยสัจจริงๆแล้วดินมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ําที่ทุกข์ที่ตรงไหนลมไฟมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ําเต็มแผ่นดินลมเต็มแผ่นดินไฟเต็มแผ่นดินตรงไหนมันอันไหนมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ท่านว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่หมายถึงใจดวงหลงนั่นแหละดวงหลงหล ง, ลงนั่นแหละ เป็นผู้แบกทุกข์หามทุกข์เป็นผู้หลงทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาแก้ตัวนี้แก้ผู้ที่หลงทุกข์นี่เองด้วยการทินิทพิจานาแยกา่าแยกขันก็เพื่อจะได้เปลื้องตนออกจากความสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและถอนตัวออกมาให้ด้วยความทราบชัดว่านั้นเป็นดินนี้เป็นน้ํานั้นเป็นลมนี้เป็นไฟแท่งขาอวัยวะนี้เป็นเครื่องมือที่เราจิตใจนี้ใช้เท่านั้นเอง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 แล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในดินในน้ำํำในลมในไฟที่สําคัญว่าเป็นตัวเองหลวงนี้ออกเสียโดยหลักธรรมชาติของเขาให้อยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาแต่ของเราก็ย้อนเข้ามาเป็นตัวของขัวไม่ยึดไม่ถือกับสิด่านหมาดถอนเข้ามาถอนเข้ามาดังที่ได้กล่าวแล้วทุกๆุกครั้งก็ได้ว่าการพิจารณารูปประคันปรพิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้เอง เวทนาทัญญาสังขัญญาก็เพื่อจะให้เห็นความจริงของมันทุกจริงจริงมันอะไรเป็นทุกตัวทุกจริงจริงมันมีความหมายในตัวของมันไหมแล้วมันมาให้ความหมายแก่เราไหมว่ามันเป็นค่าสึกต่อเรามันเป็นทุกต่อเรามันไม่ได้ให้ความหมายแก่เราด้วยไม่มีความหมายแก่ทุกเวทนาด้วยเป็นแต่ใจเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รุ่มหลงเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับของทุกมากน้อยภายในขันที่มันเกิดขึ้นภายในขันนี้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 ทุกคเวสนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจภายในร่างกายนี้ก็เหมือนกันทุกเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับไฟแล้วก่อไฟขึ้นความร้อนมันปรากฏขึ้นกับไฟนั้นแล้วไฟรู้ความหมายตัวไหมแล้วความร้อนนั้นรู้ความหมายตัวไหมายไม่รู้ผู้ไปสัมผัสสัมผัสมันต่างหากรู้เช่นเราเข้าไปใกล้ชิดกับไฟมันก็ไหม้เอาบ้างร้อนบ้างนี่ตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ร้อนฮไม่ใช่ตัวใด จงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดตามความจริงเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็มันก็สักแต่เป็นทุกในตัวเข้ามาเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกพิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเด่นกายก็สักแต่ว่ากายเนื้อหนังเองก็ดูกทุกสัตว์ทุกส่วนมันมีอยู่มัดมาตั้งแต่วันเกิดมันไม่ยอมว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่ยอมว่ามันเป็นฉุกเป็นทุกมันนเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตัวทุกเองที่ปรากฏขึ้นภายจิตใจก็ไม่สําคัญว่าตนเป็นทุก และไม่ได้สําคัญนักตนไปให้ทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ใดมันนักมีแต่ความสําคัญนั่นหมายของใจนีิพพานะไปไปหลงไปสําคัญว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์แล้วก็มาเผาเจ้าของผู้รุ่มหลงนี่เลยเมื่อได้แยกดูเห็นตามความเนจริงนี่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกขนะ์น่ะทังสกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่น สภาวะธรรมต่างๆก็เป็นสภาวะธรรมตามหลักธรรมชาติของตน่นะแล้วต่างอันต่างกินไม่กระทบกันนี่จิดเมื่อพิจารณารอบนี่เราหมายถึงเราพิจารณารอบเป็นการตป็นเวลาไปไม่ใช่รอบตลอดทั่วถึงอย่างท่านเป็นสมุติเฉดตะปหารสมุติเฉดตะปหารคืออะไรคือรู้แจ้งแทงทะลุปล่อยฟ้าวางไ ด, ด้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือ เป็นมิมุติอดทอนจริงๆภายนจิตใจเช่นจิตระารหันนั่นจะจะทำอย่างไรก็ตามจะให้ท่านล่มจมไปเพราะทุกเวทนาอยาบย่ำทำลายนี้ไม่มีทางเป็นอัถนะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ถอดถอนออกหมดโดยสิ้เนเชิงแล้วตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสระลุธรรมก็คือตรับทุสิ่งเหล่านี้ให้ขาดเทนออกจากความเขี่ยเนื่องกับใจนั่นเอง เพราะฉะนั้น จ, งจึงได้กล่าวว่าถ้ารหันตายในอิยาบุตรใดก็ตายเถอะก็คือพระรหันนั่นเองไม่มีความล่มจมกับความสลายไปแห่งธาตุแห่งขันนี้ในอิยาบุตรใดๆเลยธาตุขันมันจะมันจะสลายลงไปด้วยอาการใดด้วยอิยาบุตรใดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันสลายตัวเท่านั้นใจไม่ได้หลงใจไม่ได้งมงายใจไม่ไยึดพระฤาษีในอิยาบุตร ถ้าใดก็ตามใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะบริสุทธิพุโทโธเต็มที่แล้วนั่นเมื่อเรียพิจารณาถอดถอนให้ถึงขั้นถึงภูมิแล้วย่อมอยู่สบายอย่างนี้เองไม่ใช่จะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยกับทุกขเวทนาไม่ใช่นั้นมันเหยียบย่ำธรรมาติจิตอย่างนี้ไม่มีสำหรับจิตที่เป็นสมุตปิปปานละไปตัดขาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ผลของการภาวนา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 เมื่อมันสืบต่ออยู่กับสิ่งใดก็ยังทราบเมื่อในการพิจารณาภาวนาให้เป็นขั้นความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปย่อมจะทราบโดยลําดับว่าจิตเ่ละอันใดได้แล้วจิตยังปูกพันอยู่กับสิ่งใดในที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวองค์กักิจยังละนั้นได้ย่อมจะทราบไปโดยลําดับของขอ ง, ของจิตผู้ภาวนาเมื่อถึงขั้นที่ขาดบ้านระจากกันแล้วย่อมจะทราบได้ี100่เร์เซนต์กัอบร้อยเปอร์์ ไม่มีสงสัยและไม่ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดอีกเลยเรื่องพบเรื่องพาดเป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเพียงแค่นั้นนี่ท่านว่านี่ผ่านเที่ยงคือไม่มีคําว่าการสถานที่เวลาเวลาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกว่าสิ้นสุดยุตินี่การในการนี้แล้วก็จะไม่สิ้นสุดยุติในการหน้าอ น, นี้มันท่านบอะนี่ผ่านเที่ยงขอให้ทำจิตให้เที่ยงเถ อ, อะเมื่อจิตไม่มีสิ่งใด นมาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของปลอมของปลอมของเทียมนั่นแหะไม่มีในจิตใจแล้วใจย่อไม่ปลอมหมดความปลอมและเทียมนั่นะสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของสมมุติอ น, นิจจังทุกขังหน้าตามันเดินตามเรื่องของมันไปตลอดเวลาส่วนจิตที่บริสุทธิพุโทโธแล้วเอาอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไงนั่นหละเที่ยงเที่ยงที่ตรงนั้น มีการปฏิบัติขอให้ทุกท่านแต่สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นคือไม่เคยตายนี่มีไหมมันเคยตายมาแล้วเคยเกิดมาแล้วเคยทุกข์เคยลาบากเคยติดเคยพันมาแล้วมีแต่สิ่งที่เคยเตรียมหมอใจเราเวลานี้แล้วมันมีเศษวิโสอะไรเราจึงจะต้องนอนจมอยู่กับมันด้วยความนอนใจ ไม่พิจารณาไม่ควนขวายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศธรรมสอนโลกเป็นผู้เช่นไรกิเลสใครได้ปราดทั้งหลายองค์ใดผู้ใดที่ได้ชมเชยว่ามันเป็นของดีเป็นของมีคุณค่าน่าติดน่าพัวพันก็เท่ากับเราชอบฟืนชอบไฟชอบกองทุกนั่นเอ ถ้าเราชอบถิ่นอย่นี้เพราะอันนี้เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดฟืนเกิดไปขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยทันที่เรียกว่าสมุไทยแดนผิดทุกขปุ่นง่ายมันผิดขึ้นมาจากกรุงไทยคือจากกิเลนนี่ เ, อ, เองทุกขึ้นมามากน้อยไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากสมุไทยคือกิเลนนี่เมื่อทําลายเหตุคือสมุไทยนี้ให้สิ้นซากลงไปแล้วคําว่านี้โรจนีโรจคือความดับทุก์ไม่ต้องบอกก็ดับเพราะสมุไทย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 ทุกเมื่อใจถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดการตำหนิติชมทั้งทุกทั้งสมุ ท, ทยัยทั้งนิโรธทั้งมาไม่ตำหนิไม่ชมจึงเรียกว่าอริยสัจทมเป็นของจริงถ้ายังตำหนินั้นอยู่ตำหนินี้อยู่จิตก็ยังไม่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นยังถูกเศษสรรปัญญาวะนั้นเป็นนั้น น, นี่เป็นนี้เข้าไปอ เยอะไปยกไปยอเดี๋ยวไปตําหนิเขาเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วต่างอันต่างกิงทุกข์ก็จริงสมุทัยก็จริงแม้มันจะสิ้นไปจากใจแล้วมันก็จริงนิโรธก็จริงมรรคก็จริงแม้จะไม่ได้แก้กิเลสต่อไปอีกก็จริงเเพราะสัจจะสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วกิเลสเป็นกิเลสอยู่แล้วจึงเป็นของจริงเต็มที่เมื่อจิตได้รอบ ตัวแล้วไม่มีสิ่งใดมาเป็นค่าสุดต่อกันอีกเลยนั่นแหละที่ธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากอริยสัจจะธรรมทั้งสี่คืออะไรนั่นคือบความบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมหลุดพ้นพ้นไปแล้วนี่แหละที่ว่าอิสตที่ว่าความบริสุทธิ์คืออันนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์นะอริยสัจจะบริสุทธิ์ที่ตรงไหนสมุทัยก็คือกิเลสเนี่ย ทุ ก, ก็ก็คือผลของสมุทัยมรรคก็คือเครื่องมือแก้กิเลส น, นะจะให้เป็นนิพพานได้ยังไงแก้กิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนิโรธก็คือความดับทุกข์ขั้นนั้นสิ่งที่รู้ว่าทุกวระสมุทัยว่านิโรธมรรคคืออะไรและผู้ที่รู้รอบทำทั้งสีประการนี้คืออะไรแล้วผู้บริสุทธิ์คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กัน้นกรองนั่นเองนันะ นี่แหละทันทันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่อาญาศับริสุทธิ์จิ ต, ตที่บริสุทธิ์จากสิไหนตะกอนจิตเป็นพัวพันอยู่กับอาญาศักดิ์สคัญที่สุดก็คืออาญาศักด์สองประเภทคือทุกข์กับจิตวิภายนะมากไม่ค่อยมีต่อเมื่อมรรคได้มีกําลังขึ้นมาแล้วจึงทังหารถ่งนั้นให้สําเร็จให้ให้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็กลายเป็นความมุขสิ้ขึ้นมาเป็นที่นะอันนี้ก็ หมดหน้าที่มรก็หมดหน้าที่ที่จะแจก้ที่เลืดับที่เหลือต่อไปนี้โรดก็ดับขั้งสุดท้ายเมื่อมรกมีกำลังเต็มที่แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรที่นีโรดจะดับแค่ดับอีกนีโรดคือความดับไม่มีอะไรที่จะให้โรดดับอีเพราะสมุทัยดับไปแล้วนะนี่ที่พูดที่แสดงอยู่ลานี้สดสดร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านนะอืม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 เป็นของเราอยู่ที่ระหว่างขันกับจิตนี่ท่านเรียกว่าอาริยสัจพิจารณาลงไปทุกเกิดขึ้นจากสมุ ท, ทยัยพิจารณาให้ดีเมื่อถึงขั้นมันรู้มันเห็นกันจริงๆที่ขั้นมากสามารถแต่กล้าแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวอะไรทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยไม่มีกลัวค้นหาสาเหตุจนเต็มเพราะ เรียกว่าพราะหาของจริงไปกลัวอยู่จะไปเจอของจริงได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมของจริงเต็มส่วนแล้วย่อมไม่มีกลัวในสัจธรรมทั้งสี่ไม่มีกลัวอันใดสมุทัยก็ไม่กลัวทุกก็ไม่กลัวอยากทราบแต่ความจริงของสิ่งหนึ่เท่านั้นเช่นสมุทัยก็เป็นความจริงห น, นึ่งอยากทราบความจริงจากธรรมชาตินี้และอยากทราบความจริงจา ก, กอยากทราบความจริง จากนิโรดจากมาทุกสิ่งทุกอย่างค้นลงไปแต่ความที่จะมาสนใจอยากทราบความจริงจากมักนี่ไม่ค่อยสนใจขอให้สนใจในจุดที่อยากทราบความจริงจากสมุทัยแลมักเรื่องอสมุทัยและทุกเมื่ออันนี้ได้แจมแจ้งแล้วเรื่องมักก็ต้องย้อนเข้ามารู้เองโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้รู้ได้ไ ง, ง่ายๆส่วนทุกกระตือมือไทยนี้รู้ได้ยาก อันนี้ไม่กําหนดก็รู้เมื่อรู้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวออกมาพอถอนตัวออกมาก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าทำทั้งสี่ประเภทนี้เป็นสัจจะเป็นของจิตเครื่องกันกรองจิตให้ได้หลุดพ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสัจธรรมทั้งสีนี้เพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้งสี่ที่มีอยู่ในองค์พุทธศาสนานี้เติมเป็นธรรมอนเบิศเป็นตามประเสริพระพุทธเจ้าหลุดพ้นขึ้นมาจากอริสัต์นี้เพระเาะฉะนั้นอริสัตนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันศาสนาว่าเป็นของแท้ของถึงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้จะบริสุทิ์ต้องได้ผ่านอิสรนี้ไปถ้าไม่มีอิสว์แล้วไม่มีทางอย่างไรเขา ม, มีทางที่จะดูพ้นไปได้เนี่ยเพราะอันนี้เป็นเป็นจุดที่สําคัญอยู่มากทีเดียวฉันขอให้ทุกท่านได้ยพยายามยาดลดละท้อถอยความเพียรให้หาอุบายหลายวิธีการ เราอยากใช้แต่วิธีการอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ทันกับกิเลสอุบายใดที่จะเกิดสติปัญญาเพื่อให้ทันกับกิเลสแล้วให้นำมาพิดนิพแต่นาะนำมาแก้มาไขากัผู้ปฏิบัติย่อมเป็นผู้ผิดสติปัญญาอยู่เสมอฟิดเสมอผิดเสมออะจะอยู่เสือ่อเสื่อซาซานี่ส่วนมากมากักจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงออกมาภายนอกให้เห็นดยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินพูดรอบข้อหรือไม่รอบข้อ ทฤษฎีที่ทํารอบครอบหรือไม่รอบครอบเป็นความโง่หรือความฉลาดที่การแสดงออกมาจากทฤษฎีอาการของแต่ละรายเป็นอย่างไงนี่มันเป็นเครื่องประกาศไม่เห็นอยู่ว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาทําอะไรไม่ใช่สติไม่ใช้ปัญญามันดีที่ตรงไหนฮึอมันความฉลาดมันก็เป็นฉลาดประทางที่เดช่เสียไม่ใช่ฉลาดฉลาดที่จะแก้ที่เดชมันเลยหาความหลุดพ้นหรือหาความเบาบางภายในจิตใจไปนน็นไม่ได้ บูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นแล้วนี่ก็เคยพูดแล้วอผู้ที่ฝากเป็นฝากตายท่านในอย่างแท้จริงก็ล่วงโรไปล่วงโรไปเราก็ยังไม่เป็นตัวของเรานี่จะทํำยังไงอก็ยังอ่อนเปียกอ่อนเปียกเหมือนกับทารกพึ่งคลอดถึงนี่จะทําไงช่วยตัวเองไม่ได้อถ้าตกน้ําเข้าไฟตกเหวตกบ่อก็ไม่ทราบว่าตนจะไปตกอะไรนี่ก็เหมือนการ ตกเหงื่อตกบอกหมายถึงอะไรมาถึงกิเลสมันต้มมันตุนต่นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบทางมาเขาหมาัดนี่มันลำบากนะจะแก้ยังไงเดินยองกอมเอาให้มันใ ห, ให้มันเห็นดิมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยไปไหนนาดไหนไ้ามันดูดูสิว่าการเดินยังกอม ถึงขนาดที่เมื่อนิ้วอ่อนเพรียงมันได้อุบายขึ้นมาอะไรบ้างก็ให้เห็นอีกความเมื่อยความเพรียงก็ให้ได้เห็นกันอีกพิจารณาอันนี้เป็นความเพรียราะมันหลายขั้นหลายภู่มที่ผู้ปฏิบัตินั่งก็เหมือนกันเวลาจะต่อสู้กั บ, ก บ, กบทุกขเวทนาะเอาฟัดกันลงไปสติปัญญาอย่าถอยนะอย่าอดอย่ทนเฉยเฉยทนทุกขเฉยไม่เป็นท่าเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเนี่ยตายไม่มีเหลือ ต้องสู้ด้วยศาสตราวุธนี่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญาเป็นศาสตราวุธของการพิจารณาเพื่อจะรู้ความจริงทั้งหลายทําไมจะไม่รู้ความจริงมีอยู่เพราะพระพเจ้าแสดงไว้อย่างสดสุ ด, ด้อนลอนไม่ได้ห่างไกลาจากตัวของเราเลยอยู่ในตัวของเรา น, นี่เท่านั้นแต่วันถูกกิเลสปิดเอาปิ ด, เ อ, ปดเอาปิดไว้ปิดไว้เนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ทันมันมันแหลมผมมากพูดแล้วพูดเล่ากิเลสแล้วผมมันถึงใจนี่แหละเอะอเพราะได้ฟัดกันแล้วเนี่ย เรื่องกิเลสแหลมผมนี่ไม่แหลมจริงๆคมจริงๆถ้าติตปัญญาศรัทธาความเพียรก็กําลังบางชามีเท่าไหร่หอมมาหมดถ้าว่ามีอยู่ในสามเดืนโลกธาตุ้ก็รวมกันมาเลยมาฟัดกับกิเลสถึงขนาดนั้นยังแพ้มันได้คิดดูสิมันเก่งไหมไม่เก่งมันจะครอบโลกธาตุได้หรือให้สัตทั้่างหาเกิดแก่ใจในสามเดือนโลกธาตุมีแต่กิเลส้าให้เกิดทั้งนั้นท้าให้ตายทั้งนั้นพาให้โลกเรียนทั้งนั้นไม่มีอะไรท้าให้วุ่น oh. มันฉลาดมันไม่ฉลาดมันเป็นนายครอบของใจได้ยังนี่เนี่ยทีนี้เราจะเอามันลงจากหัวใจเราที่มันต้องในทุ่มกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตจิตใจเข้าว่าเลยอะไรๆมีเท่าไหร่ไม่เสียดายขอให้หลุดพน้นคือขอให้ชนะที่เด่นนี่เพียงเท่านั้นเป็นที่พอใจเอาตาก็ตายถึงขนาดนั้นเมื่อเวลามันเข้าถึงตา จ, นนจริงแล้วธรรมะถอยไม่มี่จิตอยากเข้าใจว่ามันจะโง่ตลอดไป และอยากเข้าใจว่าจิตนี้จะอ่อนแอตลอดไปนะถึงขั้นมันเข้มแข็งเข้มแข็งอย่างงๆถึงขั้นมารู้จักเป็นจักตายไม่ถอยเลยมันมัีข้องมันเป็นวาระของมันแล้วถึงขั้นที่ฉลาดมันฉลาดจริงๆแหลมคมหญิงไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจิตนี้จะฉลาดขนาดนั้นสามารถทันกับเหตุการณ์ทันกับพิเดตตัวไหนเป็นชนิดใดที่ไหนมันจะมันถ้าว่าพูดเป็นนังงวยครับหมดอาวุธที่ยกขึ้นต่อผู้หมดทั้งตัวเลยเป็นอาวุธทั้งหมดนั่น แหมดทั้งความเคพื่อนไหวในภารกิจใจแปนสติปัญญาทั้งนั้นน่ะถึงเวลาที่มันเป็นขึ้นมาเราอยากเข้าใจว่าจิตของเราจะจังโง่นะเมื่อถึงขั้นมันฉลาดแล้วฉลาดจริงๆไม่ฉลาดเอากิเลสลงไม่ได้กิเลสมันฉลาดขนาดไหนเราก็ทราบแล้วฉลาดมาตั้งกี่กับกีดกันบนหัวใจเรานี่หัวใจแต่ละดวงละดวงนี่คือกิเลสครอบด้วยความฉลาดทั้งมันมาขี่กับกีดกันเจ๋งไหมทีนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันมันจริงจมันจะปม้วนเสือได้ยังไงนั่นนะฟังซิ ถึงขั้นมันฉลาดมันฉลาดจริงๆนี่พูดก็สาธุเราไม่ได้โอ้ดวดนะเราก็ไม่เคยที่เคยคาดในหัวใจดวงนี้ดวงที่พูดกับหมู่เพื่อนเวลานี้นะแตาเวลามันเป็นมันเป็นจริงๆนี่จนเกิดความมหัศจรรย์โอ้โหขนาดนี้เธอหรือถ้าติปัญญาเวลามันหมุนเป็นอย่างนี้เธอหรือไม่คาดไม่ฝันแต่มันรู้อย่างชัดๆหมุนตีอยู่ที่รอบตัวเลยใช่หปัญญาแล้วกระทันกับเหตุการณ์นะเนี่ยที่เรีนตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนที่นี้เมื่อปัญญาเหนือมันแล้วมันพังได้เหมือนกันนั่นแหละ เมื่ออันหนึ่งเหนือแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไงทนได้อย่างไอถ้าเป็นคนก็แบกไม้นักหนักมันก็หลังหักนี่แหละเพราะไม้มันหนักกําลังเราไม่พอกับไม้มันก็หลังหักที่แบกบที่แบกบชุแบบทนทอนเอาลองดูสินี่กูเหมือนกันพิเดตมันจะเก่งขนาดก็เก่งถอยลงปัญญาได้หนักคอบหนักมือกว่ามันแล้วมันหักทั้งนั้นหลังพังลงไปได้เลยไม่ต้องใส่พวกที่เจ้าภาษาโบกล้วนแน่ตั้งแต่ท่านผู้ติดพัง ท, ที่เดตหักหลังที่เดตหักคอที่เดตลง ให้ม้วนเสือได้ทั้งนั้นด้วยอํานาจของปัญญาปรีชาญาณไม่ต้องพูดไปอย่างอื่นนะมันเห็นอยู่ที่ใจของเราจริงจริเวลามันโง่มันโง่เพราะกิเลสมันเหนือมันต้องโง่ตลอดเวลาเดินจงกลมมันก็สวมลอยไปอย่างนั้นนั่งภาวนามันก็สวมลอยอยู่นันทําอะไรความเขียนอะไมันมีนไปตักตวงอะไรได้ได้อไรอยู่กับความเขียนนั้นหราความเขียนเรามีแต่ร่างเนื้อหนังของเราไปกินหมอดนี่เวลามันมันฉลาดมันฉลาดอยู่อย่างนั้นกิเลสเนี่ย เพรนั้นต้องพยายามเอาเต็มเม็ดเต็มห่วเต็มที่เต็มฐานทีเดียวถึงขั้นมันฉลาดและมันฉลาดจริงๆถึงขั้นมันทนมันทนจริงอดจริงๆสู้จริงๆจิตเนี่ยอืมจิตนี่นะเป็นกําลังสําคัญมากร่างกายมันอ่อนเปียกขนาดไหนก็ตามจิตไม่ได้อ่อนนี่นะลองคิดดูที่เดินไปมันลม้ลมมล้มก็ล้มจิตมันไม่ได้ล้มด้วยนี่นั่งทำที่ร่างกายจนจหายใจไม่ถึงท้องแต่สติปัญญามันไม่ถอยเ มันฉลาดในมันแข็งแข่งในตัวของมันนั่นนั่นเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงได้ม้วนเสื่อมันเมื่อถึงขั้นนั่นแล้วเอาเถอะกิเลสตัวไหนก็มาเถอะถ้าลงสติปัญญาได้รอบตัวดแล้วเป็นพังไม่พังกุาจาเป็นพระศาสน า, า, า, า, าได้องค์อื่นได้ยังไงพระสาวกเป็นอ า, าราธนาได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่มันชนะกันมันมีอยู่คือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเมื่ออบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอต้องมีกําลังหมุนตัวเป็นเกลียวไปได้นั่นแหะ แล้วเราจะได้ชมเราเองนะเมืทั้งๆ ท, ที่เราเอาขนาดนี้มันโง่อย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราเป็นทุนเป็นไฟแต่ถึงค่าวมันเป็นน้ามันเป็นจริงเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเนี่ยหมุนติ้วติวต้วติ้วเข้าไปแล้วชะออกล้างออกช้าออกล้างออกอะไรเป็นทุนเป็นไฟดับมันไปดับลงไป ด, ด้วย ส, สติปัญญาสุดท้ายกเหลือตั้งแต่ความรู้สุทพุทโธเด่นอัศจรรย์หมายที่นี่ไม่มีใครอัศจรรย์เจ้าของก็รู้ในตัวของเจ้าของอัศจรรย์อยู่ในเจ้าของอื่นอ๋อผู้เจ้าท่านอัศจรรย์เป็นอย่างนี้เองน ท่านหลุดพ้นจากทุกทุก พ, พ้นอย่างนี้เองนะั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันระหว่างพระพุทธเจ้ากัาบภาษาโบราณหลายหาที่ข้านกันไม่ได้นั่นแหละท่านยอมรับกันใครจะไปกราวพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์100่ะร้อยปอรเซ็น้อยทั้งร้อยทีเดียวท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้านิพพ า, านไปนาแค่ไหนนอันนั้นเป็นเรื่องธ า, เงา น, เนเรื่องขันเป็นเนื้อหน้าของศาสนาพุทธแท้เป็นความจริงอันเดียวกันยอมรับกันทันที มันจะขอในถึงขั้นความจริเจนส่วนเนี้ยยอมรับไม่มีข้อไม่มีความสงสัยเราก็เอาที่เราลูกศิษย์ทศกัณฐคนฉันจะทําเป็นของลัศมีที่เหมอนอยู่ในหัวใจของเราเนี้ยสติเอามาใช้สติปัญญาเอามาใช้อย่านอนจมอยเฉยถึงเวลามันควรใช้แล้วไม่หลันเราออกแนวโรกแล้วไม่ใช่หรือเราไปเชิได้อะไรกับเรื่องดินน้ํำลมไฟดินผ้าอากาศซากศพคนเป็นคนตายเก่อนในโลกวนนี้มันมีอะไรพิเศษ ทำต่างหาวิเศษความดุจพ้นเสียจากการแบกขวางกล่องพุกทั้งหลายเพราะการเกิดเจตนาเนี่เท่านั้นเป็นของวิเศษยันลงไปในตรงนีน้เลยนักปฏิบัติเฮ้ยมันเหมือนกับว่ามันคันฝันนะมันมันเข็ดจริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นค่าศึกนะมันเป็นจริงๆในหัวใจเนี่มันถึงใจนะเลือระหว่างกิเลสกับทำเห็นคุณค่าของทำก็เห็นอย่างถึงใจเห็นโทษของกิ่เลสก็เห็นอย่างถึงใจเป็นค่าศึกกันอย่างถึงใจ ดังที่เคยพูดให้ผู้คนฟังแม้แต่นั่งฉันหันก็ตามถ้าว่ากองทัพเยอมาแล้วเฮ้อมาแล้วเหรือเท่านั้นแหละทิ้งเลยบังใส่ตุ่มกันเลย่ถึงขนาดนั้นมันถึงใจขนาดท่านนะเราพูดมีหมายเราความถึงใจเพราะฉะนั้นมันถึงมันมันถึงความเพียรมันถึงถึงใจเมันต่างถ้าลงได้ทําก็ถึงใจที่เรียนก็ถึงใจเห็นเป็นไพ่ถึงใจแล้วอย่างไรความเพียรก็ไม่ขอยลับเาะตายก็ตายเถอะมันไม่เสียดายเลยชีวิตอันนี้ เพียงลมหายใจดับไปสนั้นมันพิเศษพิโสอะไรจะเอาทำดวงไม่เกิดไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นของพิเศษนั่นหละมันหมุนของมันที่ที่ที่นะครัเทศนตรงนี้พอที่ควรพอมันมีผม